ยามขัดสนหม่นไม่ได้พึ่งเพื่อนยามโรคเยือนรึงรุมได้พึ่งหมอยามอากุศลโดนจิตคิดคดงออย่าพึ่งท้อพึ่งธรรมนำทางเอ่ยอาจารย์วรณีสิริบุญ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 ดิมันก็ผ่านไปเมื่อเกิดความทุกข์แล้วมันก็จะผ่านไปมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ะเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยให้เรารับรวู้ว่าความสุขนี้ก็ไม่เที่ยงหรอกดิมังก็ผ่านไปอย่าประมาทแล้วก็อย่าหลงและโลทัล้งลืมเนื้อลืตัวเตรียมตัวเตรียมใจว่าต่อไปเนี่ยอาจจะมีความทุกข์ก็ได้อันนี้ตั้งหลักเลยเวลาใจมีความทุกข์ปับ๊บอ๋อทุกข์นี่อยู่ไม่นานแล้ว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 มันเป็นการปรับใจเราให้ยอมรับให้รักอะไรก็ตามที่เรารักเนี่ยเราจะขยันไปหาหเรารักสาวคนแดงคนหนึ่งก็ตามในโอนจะไปหาเช้าหาเย็นเลยนะไม่เห็นหน้าเห็นผ้าตากไว้ก็ยังดีทำไมเราจรึงขยันได้แต่ถ้าเรารักงานรักชีวิตเราแบบนั้นแล้วก็เราจะกระตือร้นจะขยันเราจะรักได้ยังไงเมื่อเราจะให้เกิดความรักในจิตใจนั้นต้องดูว่างานเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราแค่ไหน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 แต่สิ่งหนึ่งก็คือรายได้ต่างๆบาทีเราท้อแท้หมดกำลังใจรายได้มันน้อยตำแหน่งมันน้อยค่าของคนเนี่ยไม่ใช่รายได้ไม่ใช่ตำแหน่งค่าของคนเนี่ยอยู่ที่งานที่เราทำว่าเราทำเรียบร้อยแค่ไหนเขาจึงวัดค่าของคนอยู่ที่ผลของงานไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่เงินเดือนเราจะมีกำลังใจทำงานดันั้นจะต้องมีเงินเราได้เงินเดือนมาแล้ว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 อุปสรรคก็ดีทําให้เรามีประสบการณ์ทําให้เรามีความรู้มากยิ่งขึ้นทำให้เรามีความเข้มแข็งอดทน ส, สิ่งหนึ่งในการใช้ชีวิตที่เป็นอุปสรรคใหญ่ก็คือที่ใจใเราลถ้าใจเราท้อแท้แล้วก็รับรองชีวิตเราเนี่ยจะอับถาเลยจะไม่มีชีวาเลยชีวิตที่ไม่มีชีวารเนี่ยมันเซ็งเพราะนั้นเปลี่ยนท้าทายอุปสรรคไม่ท้อแท้ท้าทายความสามารถ ชีวิตจะมีชีวาชีวาคือความสุขความกระตือรือร้นชีวิตนี้ใครก็มีได้แต่ชีวาเนี่ยแต่และคนจะต้องฮาเองความกระตือรือร้นความสุขเนี่ยแล้วเวลาเจออุปสรรคแล้วทา้าทายทาไม่ได้ฝ่าฟันไปชีวิตจะมีชีวามันจะมีความสุขสังเกตดูนะคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่ลําบากเลยเนี่ยเขาจะเอาตัวไม่รอด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 นำพาชีวิตเราเนี่ยสู่ผลสําเร็จได้ง่ายๆันเ น, น, นี้ยถือว่าสําคัญมากแล้วการทํางานด้วยกันเนี่ยจะให้มีความสุขนั้นเราต้องเข้าใจกันการมีสติดูตัวเราเสมอเสมอเนี่ยทาให้เราเข้าใจคนอื่นเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเราอย่าให้เขาทําแรงใจเราเสมอไปไม่ได้หรอกต้องเข้าใจตัวเขาด้วยโดยเฉพาะเรื่องน้ําใจเรื่องความเอื้อเฟือ้อ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 กับจิตที่คิดอยากจะได้เนี่ยต่างกันไหมจิตคิดจะให้ดีไหมเราเคยให้ของใครไหมเราอยากให้อะไรใครสักอย่างเนี่ยโอ้จิตเราดีมากจิตจะกระตือรือร้นแต่จิตคิดอยากจะได้ของเขาเนี่ยมันลุกลี้ลุกลนนะนั่งคนที่ให้เนี่ยจึงมีความกว่าคนที่อยากได้ใครก็ตามที่ประสบผลสาเร็จในชีวิตประสบผลสเร็จในหน้าที่การงานเราอย่ามัวรอช้า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 ถ้าคนแสดงความยดีไม่ได้แต่ว่าอิจฉาลิษยา อ, าอิจฉาลิษยาเนี่ยจะมีความสุขไหมคนคิดอิจฉาตาลอนนอนไม่หลับไม่มีความสุขถ้าคนที่แสดงความยดีจะมีความสุขจะว่าไปแล้วคือธรรมะในะจิตใจเราเองคุณธรรมธรรมะนี่ไม่ใช่เรื่องเมื่อ 2,500 ปีนะไม่ใช่นะเป็นเรื่องชีวิตในปัจจุบันธรรมะสอนให้เรารู้จักคิดเป็นเหตุเป็นผลธรรมะสอนให้เราไม่ประมาท ธ, ธรรมะ สองวิธีการแก้ปัญหาชีวิตเป็นเรื่องกี่ับตัวเราเลยวิธีการเข้าอาธรรมเนี่ยมีหลายอย่างการได้ยินได้ฟังอย่างวันเนี้ยเราได้ยินได้ฟังเนี่ยถ้าเป็นธรรมะก็ได้การได้ยินได้ฟังการเอาไปขบคิดและการลงมือปฏิบัติอันนี้คือธรรมะทางนั้นเลย